เจ้าชายทับทิมกาะละครั้งหนึ่งที่ไกลออกไปจากเบอร์เซียมีชายขอทานได้เดินไปที่แม่น้ำท่านใดนั้นน้ำก็ได้ลดลงเหลือแต่โคลนเขามองไปที่ปลาที่ไม่สามารถลบหนีไปไหนได้ในน้ำที่ลดลงถ้าฉันโชคดี ว, วันนี้ฉันน่าจะหาปลาได้สักสองตัวอย่างน้อยหรือไม่ก็สมตัวแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่มีค่ารอเขาอยู่ ว้าวนี่มันใหญ่มากและสว่างมากฉันจะได้มื้อค่ำกี่มื้อกันเนี่ยขอทานรีบวิ่งไปหาเพื่อนของเขาที่ทำงานในครัวให้กัตรัต์โอ้นายหามาเจอมาจากที่ไหนที่ริมแม่น้ำนี่ฝั่งนะเพื่อนฉันนวานาย ช่วยฉันมาเยอะฉันรู้ว่านายให้อาหารฟรีกับฉันอีกไม่ได้แต่หินก้อนนี้จะซื้ออาหารได้ฉันได้เท่าไหร่กันหินเหรอนี่ทับทิมเจ้าโง่นี่สามารถเปลี่ยนชีวิตนายได้เลยเอาทับทิมไปให้กับกษัตริย์แล้วลองขอทองสักสองถังเป็นค่าตอบแทนสาหรับทัพทิมสองถังลงเหรอใช่ ห้ามขออะไรน้อยกว่านั้นเข้าใจหรือเปล่าขอท่านรับคำแนะนำจากเพื่อนของเขาและไปหากรกษัตริยัดได้ตกใจมากเพราะเขาไม่เคยเห็นทัพทิมขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนฉันจะให้ท้องสามหม้อกับนายเป็นค่าตอบแทนนายพอจะรับได้ไหมโอ้ท้องสามหม้อครับท่าน นี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยละ่ะขอทานได้ทองสามมอแล้วจากไปวิ่เฮฮนี่มันวิฆาบอา่ฉันจะให้เป็นของขวัญกับลูกสาวฉันในวันเกิดอายุ18ของเธอฉันเชื่อมั่นว่าจะำนำความโชคดีมาให้เธอเขาได้ใส่ทับทิมก้อนใหญ่ลงไปในหีบและล็อกมันด้วยล็อขนาดใหญ่ ในวันเกิดเมื่อลูกสาวเขาอายุ18ปีเขาได้เดินไปที่หีบและทันทีที่เปิดหีบออกมานี่นายเป็นใครท่านผมทหารขโมยนายขโมยทับทิมที่มีค่าของฉันไปเอาืนมนไม้ฉันเดี๋ยวนี้เลยท่านครับแล้วโจงที่ไหนจะขะโมยทับทิมแล้วขังตัวเองไว้ในหีบแบบนี้เล่า แต่ทัพทิมของท่านได้หายไปแล้วมันคือเรื่องจริงผมไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้ผมมาที่นี่เพื่อแทนมันผมคือเจ้าชายทัพทิมและผมขอให้ท่านไม่ถามผมว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าชายทัพทิมกันเหรอนายเป็นจรหนนายคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเหรอทัพทิมที่มีค่าของฉันหายไปและฉันเจอผู้ชายในหีบแล้วไม่สามารถถามได้อย่างนั้นหรอว่าเกิดอะไรขึ้น ถูกต้องผมเข้าใจปัญหาของท่านแต่อย่างไรก็ตามผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นนายทำให้ฉันไม่มีทางเลือกฉันเจอนายในหีบฉันนายต้องทำตามที่ฉันบอกและนายจะต้องเป็นทาสรับใช้ของฉันครับผมกระสัตย์อยากทำโทษเจ้าชายแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ของเจ้าชายและเสียงที่นุ่มนวลของเขาทำให้กษัตริย์สร้างงานยากแต่เขายังโกรธที่ทัพทิมของเขาได้หายไปกษัตริย์สั่งให้เจ้าชายทำงานต่างๆเช่นทำตวนทำความสะอาดวังแต่เจ้าชายก็ไม่เคยบน่นจริงๆแล้วเจ้าชายทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าใกล้เจ้าหญิงเขาได้ตกลุมรักเจ้าหญิงอย่างไม่มีความหวัง เจ้าหัวขโมยกลา้าได้ยังไงที่ขโมยทัพถิ่มของฉันไปฮี่ฉันจะทํำยังไงกับมั น, นดีเดี๋ยวๆฉันคิดออกแล้ววันถัดมาเขาเรียกเจ้าชายเข้าพบเจ้าหัวขโมยฟังให้ดีมันมีมังกรอาศัยอยู่ในน้ําและมันทำให้เรือต่างๆล่มทําให้การค้าของเรามีผลกระทบเอาดาบของฉันและไปสู้กับมังกรซะนี่คือคําสั่ง โอ้โอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วโอเคได้เลยครับท่านแต่ว่าผมต้องการฟลุตผมจะเล่นให้มังกรขึ้นมาจากน้ําแล้วกลับเข้าไปอยู่ในป่านั่นคงช่วยไม่นานหรอกมังกรมันอันตรายเหมือนกับตอนที่มันอยู่ในน้ํานั่นแหละนี่เป็นทางเดียวที่ผมจะทําตามคําตั่งของท่านได้ผมไม่สามารถเดินลงน้ําได้แล้วราชาก็หยุดคิด เดินลงน้ำไม่ได้เหรอเป็นเจ้าชายแบบไหนกันฉันส่งทหารเก่งๆหลายคนไปและไม่มีใครได้กลับมาเขาจะได้พบโชคชะตาแบบเดียวกันแน่นอนเจ้าชายได้พายเรือไปถึงป่าและเขาได้เข้าไปตรงพื้นที่กว้างใหญ่ในป่าที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อที่เขาจะเรียกมังกรขึ้นมาจากน้ำ พื้นดินสัตว์เมื่อมังกรใกล้เข้ามาอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเจ้าชายรู้ว่ามังกรกำลังเข้ามาม <G ül> ังกรพุ่งลงมาเพื่อโจมตีเจ้าชายที่ไม่ได้ขยับตัวหนีไปไหนเพียงแค่ขยับมือของเขาเท่านั้นฉันจะไว้ชีวิตนายแต่นายต้องสัญญาว่าจะไม่ทำรือล่มและก่อปัญหาอื่นอีก เจ้าชายทับถิมได้กลับมาที่วังทุกคนตกใจมากฟาบาผมได้ทำตามคำสั่งเรียบร้อยและมังกรจะไม่กลับมาอีกเจ้าจังเป็นเจ้าชายที่กล้าหาญฉันประทับใจมากเล ย, ยฉันเชื่อนายแล้วฉันไม่รู้ว่านายเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าฉันจะไม่ถามอีก ตามคำขอของนายบอกฉันมาว่านายอยากจะได้อะไรฉันจะหามาให้หนายฟาบาทผมได้ตกลุมรักลูกสาวของท่านถ้าท่านอนุญาตผมจะขอแต่งงานกับเธอจะได้ไหมนายชนะใจด้วยความกล้าหาญของนายถ้าเธออยากแต่งงานกับนายแล้วฉันเป็นใครที่จะห้ามล่ะ ลูกสาวของกษัตริย์ได้ประทับใจเจ้าชายเช่นกันเธอตกลงแต่งงานกับเขาเจ้าหญิงเป็นคนสุภาพและรักสามีของเธอมากทั้งสองอยู่ยังมีความสุขและดูแลบ้านเมืองของเขาแต่หนึ่งคำถามที่มักรบกวนเจ้าหญิงก็คือที่รักฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยคุณคือใครกันได้โปรดบอกฉันมาคุณมาจากไหนได้โปรดจะถามเลย ผมไม่สามารถบอกคุณได้วันที่ผมบอกคุณคุณจะเสียผมไปตลอดการนั่นทำให้เจ้าหญิงเศร้ามากเธอรักเจ้าชายมากและอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเมื่อพวกเขาได้นั่งอยู่ตรงทะเลสาบเธอพยายามถามเขาอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่เจ้าชายเริ่มเศร้ า, าและขอให้อย่าถามอีกแต่ทำไมล่ะทำไมฉันถึงรู้ไม่ได้ดิปตดบอกฉันเถอะนะ อคุณรู้ใช่ไหมว่าผมรักคุณมากผมไม่สามารถเห็นคุณเป็นทุกข์ได้ถ้าคุณอยากจะรู้ผมจะบอกคุณก็ได้ว่าผมผมคืออ๋อทหารช่วยด้วยเอาสามีของฉันคืนมานะทหารตามหาเจ้าชายจนทั่วทะเลสาบแต่ก็หาไม่พบเจ้าหญิงโทษตัวเองทุกคนพยายามบอกว่า ที่ไม่ใช่ความผิดของเธอแต่เธอก็ไม่ฟังไม่คาถามงงๆของฉันทำให้เขาหายไปเจ้าหญิงยอมรับความจริงไม่ได้และล้มป่วยหนักมอหลายคนเข้ามารักษาแต่ก็ช่วยไม่ได้กษัตริย์เป็นห่วงเจ้าหญิงแล้ววันหนึ่งแม่บ้านเข้ามาและบอกข่าวประหลาดกับเจ้าหญิงโอ้ เจ้าหญิงเจ้าหญิงโอ้มีแสงไฟมากมายที่ทะเลสาบเมื่อคืนมีทูดมาเต้นมันสวยงามมากเลยไรยสาระไม่มีทูสวร์ออกไปซะแต่ฉันเห็นเขาใส่ทับทิมที่สว่างที่สุดอยู่บนหัวเธอเธอบอกว่าทับทิมเหรอฉันรู้ว่าท่านไม่เชื่อเรื่องทูสวร์แต่ว่า ฉันไม่สนใจเรื่องทูตสวรรค์่านจะไปที่นั่นนะคืนนั้นเจ้าหญิงและแม่บ้านได้ซ่อนตัวในผู้ไม้ใกล้กับทะเลสาบของพวกเขาแล้วรอจนมืดทันใดนั้นก็มีแสงไฟลอยขึ้นมาจากทะเลสาบแสงไฟเปลี่ยนเป็นทูตสวรรค์ที่สวยงามและชายตัวเล็กๆหลังจากนั้นเจ้าสมุทรและคนของเขาก็ขึ้นมา เขามีผ้าพันสีทองและกระทาที่มือของเขาและการแสดงได้เริ่มต้นขึ้นทูตสวรรค์เต้นและชายต่างๆก็ได้แสดงมยากลให้กับเจ้าสมุดแต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้สนใจพวกนั้นเธอสนใจเพียงชายที่ยืนอยู่ข้างเจ้าสมุดเธอไม่ลืมดวงตาสีฟ้าของเขาคนรักของเธอยืนนิ่งเหมือนหุน่นเออเจ้าชายเจ้าหญิงได้ทําสิงที่กล้าหาญ เธอปิดหน้าของเธอด้วยผ้าบางๆและเต้นท่ามกลางทุ่งสวรรค์เธอเต้นสวยมากและทุกคนก็อึงบ้าตวยงา ม, มา่าการเต้นของเธอเธออยากจะได้อะไรบอกฉันฉันจะให้กับเธอฟาบาทฉันคือลูกของกระสัดภรรยาของเจ้าชายทับทิมคนที่ยืนอยู่ข้างๆท่านดิบรอด ได้โปรดคือสามีให้ฉันเถอะฉันไม่ขออย่างอื่นเจ้าสมุด ร, รู้สึกไม่พอใจกับคำขอเขาได้กลับลงไปในทะเลและพาเจ้าชายกลับไปด้วยไม่เดี๋ยวก่อนอเจ้าหญิงมองไปทางนั้นสิเจ้าหญิงรีบไปที่ฝั่งและนั่นคือเจ้าชายก่อนที่เธอจะเข้าใจทุกอย่างทะเลได้พูดกับเธอว่าเธอสามารถเอาเขาไปได้ แต่อย่าลืมว่าเธอเสียเขาไปได้อย่างไรจงฉลาดเขาไว้ <G ül> ที่รัก <G ül> บ้านเมืองได้ไดีใจกับการกลับมาของเจ้าชายทับทิมเจ้าหญิงฉลาดขึ้นจากวันนั้นเธอไม่เคยถามเรื่องแต้ทะเล ก, กับเขาอีกเลยหลังจากวันนั้นเธอมีความสุกที่เขาอยู่เจ้าหญิงรักเจ้าชายทับทิมหมดหัวใจ และพวกเขาก็อยู่กันยังมีความตุกตลอดไป